ทีนี้ย้อนกลับไปที่หน้า80อีกนะบาปรธรรมนัยะที่ที่4ในหน้า80กล่าวว่าถามว่าในบรรดาบาปรธรรมเหล่านั้นนิปเปสิกตาความเป็นผู้พูดบีบบังคับเนี่ยเป็นไนะไปพูดบีบบังคับเขาเลยนะตอบว่าการดาการพูดขู่การพูดติเตียนการพูดตาหนิโทษ การกล่าวโทษการพูดเย่ะเย้ยการพูดเย้ยเสียหนักหนาขึ้นไปการพูดเยียดหยามการพูดเยียดหยามเสียหนักหนาการพูดประจานความเป็นผู้พูดนินทาลับหลังต่อชนเหล่าอื่นอันใดแห่งภิกษุผู้มุ่งลาบสการะและความมีชื่อเสียงมีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่านิเปสิกตา อันนี้ก็อยากได้ปัจจัยก็ใช้วิธีการพูดบีบบังคับเป็นต้นเพื่อให้ได้ปัดจจัยในหน้า1น0่อเนี่ยนะอธิบายเปิดไปหน้า100เพื่อจะได้เห็นคำอธิบายเมื่อกี้นี่เพื่งทราบวินิจฉัยนิเปสิกตานิเทศคําว่าการด่าก็ได้แก่การด่าด้วยอักโกสัตวถุเรื่องที่ใช้ด่ากันสิบเรื่องด่ากระทบชื่อกระทบโคตกระทบตระกูลกระทบผิวพันธุกระทบ คำด่าเนี่ยนะกระทบสัตว์เดรัจฉานพวกนี้นะกระทบอบายด่ากระทบการงานกระทบศิลปะกระทบความรู้อ่ะเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยโทสะอันนี้เรียกว่าการด่าการพูดครูก็คือการพูดข่มการพูดติเตียนก็ได้แก่การยกโทษเขาขึ้นโดยนายว่าคนหาศรัทธาไม่ได้ไม่มีความเลื่อมใสเป็นต้นเนี่ยนะไปพูดให้เขาได้ยินเลยนะพวกนี้ไม่มีศรัทธาหรอกบ้านนี้ไม่รู้จักทาบุญหรอก คล้ายๆแบบนี้นะไปพูดแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็ทมบุญเองแหละลักษณะนี้เขาเรียกว่าการพูดติเตียนส่วนการขับได้แก่การขับเขาด้วยวาจาว่าท่านจงอย่าได้กล่าวอย่างนี้ในที่นี้เลยดังนี้นะถ้าโยมเข้ามาพูดอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าโอ๊ยอย่ามาพูดเลยนะสมมติว่าเขาจะมาพูดเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องอะไรเอ้ยอย่ามาพูดแถวนี้เลยไปไอะไรแบบนี้นะพูดแบบนี้เขาจะถวายก็เลยพูดเคยพูดอย่างนี้พูดเอานะมันได้พูดไล่ไปจริงๆนะพูดจะเอาอะ คือเรว่าบางอย่างก็ต้องใช้แผนบังคับเอาเพราะว่างั้นพูดกดบ้างพูดคมบ้างเดี๋ยวเขาถวายเองแหละการพูดขับเขาอ้างเรื่องอ้างเหตุขึ้นทุกๆตอนเชื่อว่าสมุคเขปนาแปลว่าการพูดไล่เขาอีกอย่างหนึ่งการที่เห็นเขาไม่ให้แล้วพูดยกเขาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้ท่านทานบดีอย่างนี้ชื่อว่าอกเคปนาการพูดประชดนั่นนะโอ้ยผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานพออะไรก็ได้นะ พอทายกอย่างเงี้ยนะท่านํานวนเราบอก พ, อพ่อทายกที่จริงก็รู้แล้วว่าคนนี้ไม่ให้หรอกแต่ก็พูดประชดน่ะให้เข้าให้ไปการพูดยกให้หนักเข้าไปอย่างนี้ว่าโอ้ท่านมหาธานบดีดังนี้ชื่อว่าสมุขเขปนาการพูดถักถางอะไรงี้นการพูดเยอะเย้ได้แก่การพูดเยอะเย้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไงเล่าบริโภคผักก็มีชีวิตอยู่ได้นะ เยอะเยะนะ้ะโอ้ยกินผักไปยังยังไม่ตายเหมือนกันฮนชะอะไรคล้ายพูดแบบเนี้นะดังนี้คําว่าการพูดเยอะเย้ยเสียหนักหนาได้แก่การพูดเยอะเยยให้หนักยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ว่าท่านยังเรียกผู้ที่ให้คําว่าไม่มีแก่คนทั้งหลายแม้ทั้งปวงอยู่ตลอดการเป็ น, นิดว่าอทายโกไม่ใช่ทายกคือผู้ไม่รู้จักให้ได้หรือ คำว่าการพูดเหยียดหยามได้แก่การพูดตำหนิถึงความไม่เป็นทายกหรือความเสียชื่อเสียงก็คือตำหนิเข้าไปการพูดตำหนิไปเสียทุกอย่างานะเสียทุกส่วนชื่อว่าสัมปาปนาการพูดหยามเสียหนักหนาคำว่าการพูดประจานได้แก่การนําความเสื่อมเสียจากเรือนสู่เรือนจากบ้านสู่บ้านจากชนบทสู่ชนบทเพราะคิดว่า โดยประการอย่างนี้เขาจกให้เราแม้เพราะกลัวต่อความเสื่อมเสียดังนี่นะเที่ยวประจานทั่วไปหมดนะประจานจนเขาให้อะ่ะนะคาว่าความเป็นผู้พูดนินทาลับหลังได้แก่ความเป็นผู้พูดคำหวานตอนหน้ากล่าวนินทาลับหลังก็คื อ, คอพูดตาหนิตอนลับหลังนะก็ภาวะนั้นเป็นดุจการที่เมื่อไม่อาจที่จะพบเห็นการตอนหน้า สู่หน้าก็กัดเนื้อหลังเขาข้างหลังอ่ะนะใครว่าพูดอย่างนี้ต่อหน้าเขาเขาไม่พูดไม่ได้อะตอหน้าเนี่ยพูดคํานี้กับคนนี้ไม่ได้เด็ดขาดได้เรื่องแน่ได้เสียนแน่มันต้องไปแอบพูดลับหลังเอาอันนี้คืารนินทานนะเพราะเหตุนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงกล่าวว่าชื่อว่าปรติมังสิกตาซึ่งแปลว่าความเป็นผู้กัดเนื้อหลังเขาข้างหลังดังนี้ คำนี้เรียกว่านิปเปสิกตาความเป็นผู้พูดบีบบังคับความว่าเพราะเหตุที่เป็นการปดคือการกวาดล้างคุณของผู้อื่นให้ทําลายไปดุดกวาดล้างด้วยไม้กวาดนะนะซี่ไม้ไผ่นะนะพูดกวาดความดีของเขาไปานะอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่เป็นการบดคือการทําให้ละเอียดซึ่งคุณของผู้อื่น การแสวงหาลาบดุดการบทคันตชาตแสวงหาของหอมเะนั้นเหตุนั้นจึงเรียกว่าชื่อว่านิพเพสิกตาแปลว่าความเป็นผู้พูดบีบบังคับเนี네่ยนะบางคนเนี่ยหวานล้อมพูดยกยอแล้วเขาให้อะนะไอคนประเภทนี้พูดยกยอแล้วเขาไม่ให้บีบอยังเดือกเขาว่ <S <S างั้นใช้แผนบีบะนะจึงเขาจึงจะทำบุญกับว่างั้นไอเขาจึงจะให้เราอะนะ แต่ถ้าไปพูดวานล้อมเนี่ยไม่มีมหมดสิทธิ์ว่าใช้แผนหนักเอาเพราะงั้อ น, นอันนี้ก็นับว่าเป็นอาชีพที่ไม่เป็นไปตามคำสอน น, น, นะนะคือว่าผู้ที่ประพฤติตามนี้ศีลก็ไม่ดีละ อ, อ, อาชีวะปาริสุทธีศีลเนี่ยนะกล่าวถึงเรื่องของปัจจัยศีที่ได้มาโดยชอบธรรม ถ้าหากว่าปัจจัยเหล่านั้นนั้นเนเี่ยได้มาโดยไม่ชอบธรรมถามว่าจะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานได้ไหมใช่ไหมไม่ได้เพราะว่าผู้ที่จะปฏิบัติตามวิสุทธิมรรกนี่นะ <c oughs> ก็คือผู้ที่เห็นภายในสงสารแต่ถ้าปฏิบัติตัวแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติตัวเพื่อสงสารครับงั้น เ, เพื่อสงสารนี่สงสารไหนสงสารก็คือ ปลาธนารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั่นเองใช่ไหมปรารถนาข้าวปลาอาหารเนี่ยนะถ้าปรารถนาเหล่านี้ก็เรียกว่าปราถนาสังสารวัตนั่นแหละเพราะว่าตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนนะบางแห่งก็บอกว่าตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดเพราะจีวรเป็นเหตุตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดเพราะดินทบาทเป็นเหตุตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดเพราะธีฬานะปัจจัยเป็นเหตุ จีโวนบินทบาทเซนาสนะและขีลานะปัจจัยนี่นะขยายไปแล้วได้อารมณ์หนะเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่นี้เป็นที่อาศัยเกิดแห่งตันหาอย่างมากาบุคคลจะให้ทานก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เลยแหละให้ทานในสิ่งสิ่งเดียวกันเนี่ยนะถ้าทายกเขามีศรัทธาเขาให้เขาก็เป็นบุญไปผู้รับเนี่ยนะเขาไม่ค่อยให้ก็เลยพูดบีบทุกอย่างเพื่อให้เขาให้อันนี้ก็ไม่ดีละเนี่ยนะ ผู้ที่ทําในลักษณะนี้เขาเรียกว่าอาชีพไม่ไม่บริสุทธิ์ถ้าอาชีพไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ควรหรือที่จะบรรลุคุณธรรมชั้นสูงต่อไปได้ใช่ไหมแค่กุศลอันนี้ยังไม่เกิดเลยกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปจะเกิดได้อย่างไรทีนี้ข้อหเลยนะข้อ5ก็คือในหน้า80คืนนะ ถามว่าในบรรดาบาปประรมทั้งหลายเหล่านั้นลาเพนะลาพังนิชิสิงนิชิขิงสนาตาการแลกเปลี่ยนลาบด้วยลาบเนี่ยเป็นฉไหนใช้ลาบต่อลาบครเคยเห็นคนต่อนกเขาอะ่ะเอานกเขาไปต่อนกเขาอะ่ะคล้ายๆแบบนี้นะเอาเนื้อไปต่อนเนื้อเอานกคุ้มไปต่อนกคุ้มอะ่ะมันก็เลยได้นกคุ้มมาเลยประมาณ น, นั้นอันนี้ก็ใช้ลาบต่อลาบตอบว่าภิกษุผู้มุ่งลาบสการะและสารเสริญมีความปรารถนาลาโมกถูกความอยากครอบงำ นำอามิตรที่ได้แล้วจากข้างนี้ไปให้ข้างโน้นบ้าง น, นะได้จากบ้านนี้เอาไปให้บ้านโ น, น้นนช่ไหมนำอมิตรที่ได้แล้วจากข้างโน้นมาให้ข้างนี้บ้าง น, นะเรียกว่าถ้าได้วันนี้ได้เยอะนะไปเที่ยวแจกเขาไว้หมดเลยเดี๋ยววันหลังเขาได้ก็จะเอาให้เราบ้างทีนี้ได้จากบ้านโ น, น้นก็เที่ยวแจกบ้านอื่นอีกอนะนลักษณะนี้เขาเรียกใช้ลาบตอนลาบ ความปรารถนาการสแสวงหาการเสาะหากิริยาที่เที่วยแวยสแสวงหากิริยาแสวงหากิริยาที่เสาะหาซึ่งอามิร ด, ด้วยอามิรอันใดมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าลาเพนลาพังนิชิขิงสนตาการแลกเปลี่ยนลาบด้วยลาบถ้าหากว่าเป็นคารวะทั่วไปนี่นะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีใช่รู้จักแบ่งกันกินรู้จักแบ่งกันใช้ใครมีก็แจกจ่ายกันกินไป แต่พระพิสุเนี่ยนะถ้าหากว่าทํากับสหธรรมิกทั้งห้าอันนี้ไม่เป็นไรนะเที่ยวไปแจกเพื่อนพระพิกสุเพื่อนสามเณรเป็นต้นด้วยกันไม่มีปัญหาแต่อันเนี้ยไปให้กับคารวาสใช่ไหยคารวาสพอเขาได้รับไปปุ๊บเขาก็นึกถึงครูเออท่านยังให้เราเลยใช่ไหมเราก็น่าจะแบ่งไปทําบุญกับท่านบ้างนะเราก็แบ่งไปให้ท่านบ้างนั้นเมื่อเกี่ยวข้องกับคารวาสเนี่ยนะวินัยของพระพิสุเนี่ยเกี่ยวข้องกับคารวาสนี่ค่อนข้างมากนะ ถ้าเกี่ยวข้องกับพิสูด้วยกันก็จะมีศีลในระดับนะพระองค์เนี่ยแสดงมาเลยถ้าเกี่ยวข้องกับพิสูที่มีพรรษามากกว่านะเธอต้องปฏิบัติแบบนี้นะถ้าเกี่ยวข้องกับพระพิสูที่มีพรรษาอ่อนกว่าต้องปฏิบัติแบบนี้นะพระพิสูเนี่ยโดยการนับแล้วจะไม่มีเท่ากันจะไม่มีบอกเ อ, อ่าเราเกิดตีเดียวกันนะไม่มีเพราะถือเอาอายุขณะบวชเป็นประมาณแบบ น, เนะเอาอายุขณะบวชเป็นประมาณ ถึงบวชเดือนเดียวกันคนละวันก็ต้องเคารพการตามตามบวชก่อนบวชหลังเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งนาทีเดียวอ่ะนะคนนี้บวชก่อนนาทีหนึ่งคนนี้บวชหลังนาทีก็ต้องเคารพกันตามนั้นไปเนี่ยนะนับว่าก่อนหลังไปเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักอ่าสูงต่ำอะไรเนี่ยนะพระองค์นี้บอกให้ยกย่องพิสูจผู้แก่กว่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระอัญญากลธัญญบรร ล, ลุอริยสัจคนแรกก็เรียกรัตตันยูใช่ไหม เอตัคธะเลยบรรลุก่อนเพื่อนนะเป็นเอตัทธะด้านรู้ราตรีก่อนก่อนคนอื่นหมดแบบนั้นเนะ่ยดันการบวชก่อนนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่ามีคําถามว่าพวกปัจจัยสี่ที่ดีเลิศเนี่ยควรแก่ที่สูรูปใดเขมีคําถามนะบางองค์ก็บอกว่าเออต้องควรแก่พระธรรมกถึกสีบางองค์ก็บอกควรแก่คนที่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์นะท้าบวชมาจากตระกูลพราหมณ์นี่ควรได้ปัจจัยที่เลิศนะที่สูรบางพวกก็บอกว่าพวกที่บวช แล้วก็ทรงวิชาสระเป็นพหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยหรือผู้ที่เป็นโสดาสกธาค า, านาคาเป็นต้นท่านเราเนี้ยควรแก่ปัจจัยที่เลิศอันนี้คุยกันในในเวทวงศพิสูุนะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่บวชก่อนเนี่ยควรได้อาสนะที่เลิศเพราะฉะนั้นในการอยู่จำพรรษาเนี่ยเขาจะมีการเลือกกุติว่างั้นเถอะเลือกกุตินะถ้าเป็นของสงฆ์เนี่ยเขาจะเลือกตามพรรษาว่าองค์ไหนจะเลือกกุติหลังไหน เันองค์ที่มีพรรษามากที่สุดมีสิทธิ์เลือกกุติก่อนนะมีสิทธิ์เลือกกุติก่อนเพราะฉะนั้นวันก่อนเข้าพรรษาเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะคือเป็นวันที่พิสูจน์ทุกรูปเนี่ยนะมีสิทธิในกุติหมดเลยนะแต่ว่าจะแจกกันตามลําดับพรรษาไปนะองค์ที่มีพรรษามากกว่าเพื่อนก็อยากเลือกอยู่กุติท้ายวัดหรือว่าหน้าวัดอันนี้ก็เลือกได้หมดเล ย, ยนะเว้นแต่ว่าเขาไม่ให้ย้ายอยู่เช่นเจ้าหน้าที่เรือนคลังเนี่ยนะเขาก็ไม่ให้ย้าย กุติเจ้าของพระที่เรือดูแลเรือนคลังก็ไม่ให้ยา ย, ยาเพราะว่ากลัวเข้าคลองแกเสียหายเพราะนั้นก็มีเกี่ยวกับพระวินัยบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเพราะนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัย4นี้สามารถเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้แล้วแต่ว่าความรู้ความเข้าใจนั่นเองเพราะว่าธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเะนั้นการประพฤติปฏิบัติเหล่านี้ก็เป็นปฏิบัติศาสนานะเป็นการเจริญกุศลธรรม ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจศึกษา ม, มาดีแล้วปฏิบัติตามนั้นนั้นไปอันนี้ก็เป็นไปเพื่อความเจริญใช่ถ้าหากว่าปฏิบัติได้ดีตามนี้แล้วก็สามารถที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้นะถ้าปฏิบัติไม่บริบูรณ์รั่วมโมดว่างังเมกี พูดถึงการเอาลาบต่อลาบนะมาดูคำอธิบายในหน้า103เพิ่งทราบวินิจฉัยในนิเทศแห่งลาเพนลาพังนิชิขิงสนตาต่อไปบทว่านิชิขิงสนตาที่แปลว่าความปรารถนาจะนำไปได้แก่การแสวงหาคำว่า อามิทที่ได้แล้วจากที่นี้คืออามิทที่ได้แล้วจากเรือนหลังนี้คำว่าในที่โน้นได้แก่ในเรือนหลังโน้นก็คือได้จากบ้านนี้ไปให้บ้านนั้นน่ะนะบทว่าเอธิแปลว่าความปรารถนาบทว่าเขเวทิแปลว่าการแสวงหาบทว่าปริเยติได้แก่การเสาะหาบ่อยๆ <c oughs> ก็ในเรื่องนี้บัณฑิตเพิ่งเล่าเรื่องภิกษุผู้ได้ภิกษาแต่ละครั้งเริ่มจากสกุลแรก แล้วก็เอาไปให้เลกเปลี่ยนแก่พวกเด็กๆประจําสกุลนั้นๆจนในที่สุดพอได้น้ํานมและยาคูแล้วจึงได้ไปเถิดเนี่ยนะก็คือว่าให้เอาเรื่องประเภทนี้มาเล่าให้ฟังเช่นไปบินขบบาดบินทบาศได้ขนมก็เที่ยวแจกคนอื่นไปนะแจกไปมาไปมาก็เดี๋ยวก็มีคนถวายของที่เราชอบก็พอละนะนะท้ายว่าเหมือนกะับนวะิธนะีคนะนะ้าขายอีกชนิดหนึ่งนั่นเองกันนะนะค้าขายอ่ะอันนี้ไม่ได้ บทว่าเอสนาเป็นต้นเป็นไวัยโพธของเอธิเป็นต้นนั่นเองเพราะเหตุนั้นเพิ่งทราบคําประกอบความในเรื่องนี้อย่างนี้เทียวว่าบทว่าเอธิเท่ากับเอสนาอันนั้นอันนี้เกี่ยวกับบาลีเท่านั้นเองว่าต่างกันโดยพยัญชนะอัถะไม่ต่างกันเลยเหมือนฟันกับทันตะเนี่ยไม่ต่างกันเหมือนกันเป๊ะเลยว่างั้ น, นอัน น, นัทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่าบาปประธรรมทั้งหลายมีกุหนาเป็นต้นเนี่ยนะมีห้าห้าอย่าง ซึ่งได้กล่าวไว้ตั้งกับต้นๆโน้นหัวข้อหลักนี้ขยายตามหน้าห้าสิบสี่นะขยายตามหน้าห้าสิบสี่อ่านไม่เป็นก็เอ๊หนังสือยังไงท่านเขียนกลับไปกลับมาที่จริงนะคนที่จำได้ก็จะนึกภาพโดยออกตลอดเลยว่าเพราะว่าวิธีเรียบเรียงท่านจะเรียบเรียงแบบนั้นทีนี้ย้อนไปหน้าหนึ่งร้อยสี่ต่อไปเลยบัตรนี้จะวินิจฉัยคาว่า และโดยเกี่ยวกับบาปประธรรมทั้งหลายไอ้คำว่าบาปประทมเนี่ยนะที่ขีดเส้นใต้เนี่ยข้อความเนี่ยยกมาจากไหนนันะข้อความนี้ยกมาจากหน้า54นะีนะยกมาจากหน้า54นับลงมาหนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดเดบรรทัดนี่นะยกมาจากข้อความนั้นนะและโดยเกี่ยวกับบาปประรรมทั้งหลายนะัข้อความนั้นมาขยายในหน้า104 อ่านจนลืมเลยเนาะเพิ่งทราบการถือเอาบาปประทรมทั้งหลายเป็นอเนกที่ตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรนะพรหมชารสูตรที่กล่าวถึงจุลศรีลมชิมศีลและมหาศีลในสูตรนั้นเนี่ยกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องบาปประทรมเหล่านี้ โดยนัยยะว่าอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างว่าท่านสมณะพราหมูพวกหนึ่งบริโภคโพชนะทั้งหลายที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วคำว่าบริโภคโภชนะอันนี้นะคว่าโพชนะอันนี้เป็นตัวแทนของปัจจัย4เนี่ยนะแต่แต่ยกบินทบาทเป็นป ร, ประานแต่หมายถึงปัจจัยทั้ง4เลยนะหมายถึงทั้งจีวรบินทบาทเสนาสนะและยารักษาโรค บอกว่าสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งบริโภคโภชนะทั้งหลายที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วย่อมสำเร็จการเลี้ยงชีพโดยมิจฉาอาชีวะเนี่ยนะมิจฉาชีพ น, นะด้วยติระฉานวิชานะใช้เดรชานวิชาหาเลี้ยงชีพเรียกว่ามิจฉาชีพอ่านะเห็นเช่นนี้ติระฉานวิชานี้คืออะไรบ้างคือวิชาทำนายอวัยวะ เนี่ยนะทำนายมือทํานายเท้าทํานายกระดูกทํานายคางทํานายสีหน้าแววตาท่าทางนะพวกวิชาทํานายพวกนี้นี่ก็เป็นมิตรอาชีพวิชาทํานายอวัยวะเนี่ยนะวิชาทํานายนิมิตก็คือทํานายลางว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดลางอะไรเกิดอาเพศอะไรพวกนี้หรือว่าวิชาทํานายอุกบาทอุกบาทตกแบบนี้เนี่ยจะเกิดเพศภัยอะไรจะเกิดอะไรบ้าง หรือว่าวิชาทํานายฝันนั น, นะใครฝันก็จะมาเล่าให้พระฟังใช่ไหยพระก็จะทํานายไปเออโยมฝันแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะหากินกับความฝันกั น, นแต่โยมทุกวันนี้เป็นอย่างงั้นนะให้พระชอบเล่าให้พระชอบถามพระถ้ายิ่งเราแบกกดหน่อยๆเ น, นี่ยก็โอ้ยเมื่อคืนฝันว่ายังไงก่อถามความฝันกั้นโอ้ยคนมีกิเลสก็ฝันกันทั้งนั้นแหละ น, น, นะเขาจะให้เราพูดบอกหวยนะเขาขอในหว ย, ยหน่อยกบอกฝันมายังไงบ้าง ก็ได้กเล่าปริศนาให้ฟังโยมก็ได้ไปซื้อหวยถูกกันว่างั้นลักษณะเนี่ยวิชาทํานายฝันกันว่างั้นคล้ายๆแบบนี้เป็นต้นะนะวิชาทํานายลักษณะเนี่ย น, นะก็คือทํานายลักษณะค น, นต่างๆว่าคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะเป็นยังไงจะอะไรยังไงเช่นคอยทำนายลักษณะเด็กใช่ไหมพ่อแม่เด็กก็จะพาเด็กมาอ้าลูกโยมเนี่ยลักษณะแบบนี้จะเป็นยังไงก็ทํานายไป น, นี่ก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งไม่ไงนะแต่เป็นมิจฉาอาชีวะหรือว่าวิชาทํานายหนูกัดผ้านะปล่อยให้เก็บไม่ดีหนูมากัดเลยต้องให้ลําบากคนทํานายอีกนะเออถ้ากัดตรงชายเนี่ยจะมีเหตุยังไงถ้าตัดกัดหนูกัดตรงกลางผ้าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะสมัยโบราณนี่เขาก็จากเหตุการณ์เหล่านี้เขาสามารถทํานายอะไรได้ทั้งหลายเรื่องนะเป็นวิเป็นวิชาอาชีพอีกวิชาหนึ่งเลยนะสมัยนั้น น, นะ หรือว่าวิชาว่าด้วยการบูชาเพลิงเอาแกลบมาบูชาหรือว่าเอาเนยมาบูชาถ้าใช้แกลบบูชาจะมีผลอย่างไรใช้เนยบูชาจะมีผลอย่างไอย่าง้นะก็รับประกอบพิธีกรรมด้านนี้เลยหรือว่าวิชาว่าด้วยการบังหวนควันนี่นึกไม่ออกเลยเป็นยังไงดังนี้เป็นต้นนนะหรือเป็นวิชาที่หรือเป็นการเลี้ยงชีพ ที่นพระสูตร ท, ทั่วไปห้ามเอาไว้เนี่ยนะไม่ให้ไปประพฤติตัวแบบนี้อันนี้ก็เป็นมิจฉาชีพสรุปเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาอาชีพเนี่ยนะที่ผิดต่ออาชีวะปาริสุธีสเนี่ยนะชุดแรกชุดที่หนึ่งก็คือการที่พระพิสูจนเนี่ยนะก้าวล่วงสิกขาบท6ที่พระองค์ทรงบัญญัติเพราะอาชีวะเป็นเหตุเลยนะ อันนี้เขาเรียกว่าชุดที่หนึ่งเห็นไหมก็ดีอ่ะอนนะก็ดีชุดที่หนึ่งเนี่ยนะก็ดีตัวนี้แปลว่าชุดที่หนึ่งหรือว่าเกี่ยวกับบาปประท ร, รมทั้งหลายมีอาทิคือการหลอกลวงเนี่ยนะพูดหลอกลวงการยกยอความเป็นผู้ทานิมิตความเป็นผู้พูดบีบบังคับการแลกเปลี่ยนลาบด้วยลาบเหล่านี้ก็ดีอันใดเนี่ยนะแล้วก็ไอบาปประท ร, รมทั้งหลาย ชุดที่3ก็คือที่ยกมาจากพรมชาลสูตรเนี่ยนะความงดเว้นจากมิชาอาชีวะแม้มีประการทั้งปวงนั้นอันใดนี้ชื่อว่าอาชีวะปาริสุทธิสีลดังนี้แล้วเนี่ยนะถ้าหากว่างดเว้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้ปัจจัี่เพราะอย่างอื่นมาเช่นบินทบาทเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าเขานิ ม, มนต์ไปโดยทำโดยวินัยเนี่ยก็ไม่เป็นไร ต่อไปนี้เป็นความหมายของคำในคําว่าอาชีวะปาริสุทิสินนะเคยรู้ไหมว่าอาชีวะนี้มีความหมายว่าอย่างไรคําว่าอาชีวะเลยนะบุคคลทั้งหลายเป็นอยู่ได้เพราะอาศัยธรรมชาตินี้เหตุนั้นธรรมชาตินี้ชื่อว่าอาชีวะคือสิ่งที่ทำให้คนเป็นอยู่ได้อะนะเลยชื่อว่าอาชีวะสิ่งใดที่ทำให้อยู่ได้สิ่งนั้นชื่อว่าอาชีวะถามว่าอาชีวะนั้นได้แก่อะไร ตอบว่าได้แก่ความเพียรในการสแสวงหาปัจจัยเนี่ยนะคือการสแสวงหาปัใจจัยใช่ไหมคือการทำให้อยู่ได้ถ้าผู้ใดไม่มีการสแสวงหาปัจจัยก็อยู่ไม่ได้นะถ้าสภาสะวะสังวรสูตรกล่าวว่าความบริสุทธิ์เนี่ยนะที่เกิดจากการสแสวงหาเนี่ยนะอาสะวะที่ละได้เพราะการสแสวงหาเพราะฉะนั้นไ อ, อ้ปัจจัยสีเนี่ยนะ จะต้องสแสวงหาจึงจักได้เพราะอาชีวะปาริสุทธิสีน์มีความเพียรเป็นเครื่องให้สําเร็จท่านจึงกล่าวว่าความเพียรในการสแสวงหาปัจจัยนะนะปาติโมขสังวรสีน์เนี่ยนะสำเร็จด้วยศรัทธากับวิริยะส่วนอาชีวะปาริสุทธิสีน์ตรงนี้เนี่ยนะสำเร็จด้วยความเพียรถ้าอินทรีย์สังวรสําเร็จด้วยสติ ถ้าธรรมะที่ทําให้สําเร็จเนี่ยนะความหมดจดชื่อว่าความบริสุทธิ์นี่นี่มาแยกสาบให้เห็นนะว่าคําว่าอาชีวะกับคําว่าปริสุทธิกับคําว่าศีลใช่ไหมดงนั้นคําว่าอาชีวะคือบุคคลทั้งหลายอยู่ได้เพราะอาศัยธรรมชาตินี้เหตุนั้นธรรมชาตินี้ชื่อว่าอาชีวะอันนี้คํานึ่งคำว่าปริสุทธิ์เนี่ยนะคำว่าปริสุทธินี่แปลว่าความหมดจดชื่อว่าปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะชื่อว่าอาชีวะปาริสุทธิ์ถ้าเพิ่มคำว่ศีลอีกศีล น, นี้แปลว่าอะไรศีลมีความหมายว่าอย่างไรศีลนะนะศีละนะเ น, นี่ยนะที่เกิดจากความบริสุทธิ์แห่งอาชีพที่เกิดจากการสแสวงหาปัจจัยเนี่ยน ะ, ะธรรมะเหล่านี้ก็รองรับคุณธรรมชั้นสูงด้วย คำว่าความหมดจดก็คือความหมดจดแห่งอาชีวะนั้นเป็นความพยายามที่หาโทษไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุมีการได้ปัจจัยโดยชอบรรมโดยสม่ำเสมอเพราะคนเกียจคร้านย่อมไม่อาจสแสวงหาปัจจัยได้โดยถูกต้องแลเนเพราะฉะนั้นไอความเพียรนี่นับว่าสำคัญมากนะต่อการดารงอยู่แห่งอชีวิตเนี่ยนะ คือถ้าหากว่าพระภิกษุเนี่ยนะถ้าลองทําอาชีพอย่างที่ว่าไปทั้งหมดตามนั้นนะสบายที่สุดเลยเห็นไะหมีคนยกมาให้ถึงกุฏิเลยนะถ้าถ้าทําพฤติกรรมแบบที่วินัยว่าไว้น ะ, ะที่วินัยห้ามนะยกตัวอย่างเช่นตั้งตัวหลอกลวงเลยเช่นอวดอุตตริ ม, มนุสธรรมเนี่ยใช่ไหมคนก็จะขึ้นมากาไม่แทบไม่ต้องบิณฑบาตอะไรแล้วเห็นไหะสบายไปนานถ้าหากว่า ต้องมีวิธีการอ่ะนะตามตามแบบฉบับของเขาอ่ะนะถ้าหลอกลวงอันนี้ก็อยู่ได้นานอย่างนั้นเถอะถ้าหากว่าผิดตามพระวินัยเนี่ยมีคนจะส่งไปโตให้ตลอดนั่นแหละ